พระเจ้าจุลณีได้ทรงสดับดังนั้นก็ทรงสุกสถานด้วยความโศกเกิดแต่ความพัดพรากจากกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ก็ทรงพิโรธพระโพธิสัตว์เกินเปรียบดุดงูพิษถูกตีด้วยท่อนไม้ว่าความทุกข์ของเรานี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยบุตรครืหบดีมโหสถเห็นพระอาการกริ้วของพระเจ้าจุลนีจึงคิดว่า พระราชาผู้มีประยศใหญ่พระองค์นี้พึงเบียดเบียนเราด้วยคติยะมานะด้วยสามารถแห่งความโกรธในการบางคราวว่าเราจะต้องการด้วยกษัตริย์ทั้งสี่ไปทําไมฉะไหนเราจะทําพระนางนันทาเทวีให้เป็นเหมือนพระราชานี้ยังไม่เคยเห็นพึงสรรเสริญสรีระวันแห่งพระนางนั้น ทีนั้นพระราชาก็จะทรงระลึกถึงพระนางนั้นก็จักไม่ทำอะไรอะไรแก่เราด้วยทรงรักใครในพระมเหสีของพระองค์ด้วยทรงคนึงว่าถ้าเราฆ่ามโหสถเสียเราก็จักไม่ได้สตรีรัตนเห็นปานนี้มโหสถคิดชะนี้แล้วยืนอยู่บนปราศาสเพื่อการรักษาตัวได้นำแขนซึ่งมีวัรณนะดุดวรณณะแห่งทองคา ออกในระหว่างรัตตก ร, รมพลเมื่อจะสันเสริญพระนางนั้นด้วยสามารถแห่งอันกราบทูลมักขาที่พระนางนั้นเสด็จไปจึงทูลว่าข้าแต่พระมหาราชาพระนางนันทาเทวีเสด็จไปแล้วจากอุโมงนี้เป็นผู้มีพระสรีราพยพอันงามศัพ์มีพระโสนีควรเปรียบกับแผ่นทองคำธรรมชาติ มีปกติตรัสประาภาธไพระเสนอดังเสียงลูกหงข้าแต่พระมหาราชเจ้าพระนางนันทาเทวีอันข้าพระองค์นำเสด็จออกไปจากอุมโมงนี้เป็นผู้มีสลรพางงามหน้าทัศนาทรงพระภูษาโกสยัยมีพระรูปอัมภัยดุจสวรรสายรัดพระองค์นั้นก็งามทำด้วยการชนะวิจิต มีพระบาทสดใสพระโลหิตขึ้นแดงอันแหลงเบญจกัลยานีชี้ไว้เป็นแบบด้วยสามารถแห่งพระชวีพระมังสาพระเกสาพระเส้นเอ็นและพระอัจจิงามดีมีสายรัฐพระองค์แก้วมณีแก้มสุวรรดวงพระเนตรนั้นเปรียบกับตานกพิราบมีพระสรีระภาพอันโสภา ริมพระโอ์แดงดุดผลตาลึงสุกก็ปานกันมีบั้นพระองค์บางอย่างจะรวบกรรรอบทีเดียวมีบั้นพระองค์เล็กเรียวดุดเทาหน้ากระดาเกิดแล้วดีแลดุดการจนะไพทีพระศกของพระนางนันทาเทวียาวดำปลายช้อยเล็กน้อยดุดปลายมีดพระนางเจ้านั้นมีดวงพระเนตรเข่งราวกะดวงตาแห่งลูกมรึก หนึ่งขวบเกิดดีแล้วหรือดุดเปลวเพลิงในเหมันตรดูแม่น้ำใกล้ภูผาหรือหมู่ไม้ดารดาษไปด้วยไม้ไผ่เล็กๆย่อม ง, งดงามฉันใดเช่นพระโลมาชาติก็อ่อนงดงามฉันนั้นพระนางมีพระเผลางามดังงวงกุญชรงามมีพระถันยุคนดังคู่ผลมาพับทองงามเป็นที่หนึ่ง มีพระสันฐานพึงพอดีไม่สูงนักไม่ต่ำนักพระโลมาของพระนางเจ้านั้นมีพองามไม่มากเกินบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอิโตท่านแสดงถึงอุโมงค์คำว่ามีพระโสณีควรเปรียบกับแผ่นทองคำธรรมชาติโกสุมภพ ะ, พะระละกะสุดโสณีความว่า มีพระโสนีงามปานแผ่นทองคำอันไพศาลคำว่ามีปกติตรัสประพาธไพเราะเสนอดังเสียงลูกหงหทั้งสักคักครพาณิณีความว่าประกอบด้วยการเปล่งเสียงเสนอไพเราะจับใจคล้ายเสียงลูกหงที่เที่ยวหากินอยู่คำว่าทรงพระภูสาโกไย โกเสยะวสนาได้แก่ทรงผ้าไหมขจิตด้วยทองคําว่ามีพระรูปอัมภัยดุจส่วนสามารถได้แก่มีสรีระดังทองคําว่าดวงพระเนตรนั้นเปรียบกับตานกพิราบปาเรวะตักขีความว่ามีดวงพระเนตรเช่นกับนกพิราบในฐานอันเลิศทั้งหลายในปราสาททั้งห้า คำว่ามีพระสรีระภาพอันโสภาสุตนูได้แก่มีพระสรีระงามคำว่าริมพระโอ์แดงดุดผลตำลึงพิมพโพธถาได้แก่มีริมพระโอ์แดงดังผลตำลึงสุขคำว่ามีบั้นพระองค์บางตานุมัชชิมาความว่า มีบั้นพระองค์บางดังว่าจะกมได้รอบคำว่าดุดเถานากระดาเกิดดีแล้วสุชาตาหุชะขลัตถีวะความว่ามีบั้นพระองค์งามดุดหนอ่อม้มีสีแดงต้องลมไหวในเวลาเมื่อทรงเยืองกรายงามไพโรดดุดเถานากระดาเกิดดีแล้วคำว่าดุดการจนะัยทีเวทีวะ ความว่ามีบั้นพระองค์ปานการจนะพิธีคำว่าปลายช้อยเล็กน้อยอีสะกักขะปะเวลิตาความว่าพระเกษช้อยที่ปลายนิดหน่อยชื่อว่าปลายช้อยเล็กน้อยช้อยดุดปลายมีดคำว่าราวกาดวงตาแห่งลูกมลึกมิคัตฉาปีวะความว่า ประกอบด้วยดวงตาเรื่องดุดลูกมะลึกหนึ่งขวบเกิดที่เชิงเขาคำว่าดุดเปลวเพลิงในเหมันตรดุดูเหมันตักคิสิขาริวะความว่างามดุดเปลวไฟในฤดูหนาวเพราะมีแสงสว่างคำว่าด้วยไม้ไผ่เล็กๆขุดทะเวลุพิความว่า งามด้วยแถวโลมชาติบางบางเหมือนอย่างแม่น้ำที่ดารดาษ ด, ด้วยไม้ไผ่เล็กๆย่อมงามฉะนั้นคำว่างามกลยานีความว่าประกอบด้วยความงามห้าอย่างคืองามผิวงามเนื้องามผมงามเส้นเอ็นและงามกระดูกคำว่าดังคู่ผลมาพับงามเป็นที่หนึ่งปัมาติมพรุทธะนี ความว่าพระนางนันทาเทวีนั้นมีพระยุคลธานชิดกันสมบูรณ์ด้วยสันฐานปานประหนึ่งคู่แห่งผลมาพลับทองที่วางไว้บนแผ่นทองฉะนั้นงามเป็นที่หนึ่งคือสูงสุดเมื่อพระมหาหสัตพานนาสิริรูปของพระนางนันทาเทวีอย่างนี้แล้วพระนางเธอได้เป็นเหมือนพระเจ้าจุลนีไม่เคยได้ทอดพระเนตรเห็นมาก่อน พระองค์เกิดความสเสน่หามีกำลังลำดับนั้นพระมหาสัตว์ทราบว่าพระเจ้าจุลณีมีความสเสน่หาเกิดขึ้นจึงได้กล่าวคาถาเป็นลำดับไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีพาหณะสมบูรณ์ด้วยสริริพระองค์ทรงยินดีด้วยการที่วงคตของพระนางเป็นแน่ข้าพระองค์และพระนางนันทาเทวีจะไปสู่สำนักยมราชเป็นแน่ บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าผู้มีพาหณะสมบูรณ์ด้วยสิริสิริพาหณนะความว่ามโหสดกล่าวว่าถ้าแต่พระมหาราชผู้มีพาหณะถึงพร้อมด้วยสิริพระองค์ย่อมทรงยินดีด้วยการที่วงคตของพระนางนันทาเทวีผู้ทรงพระรูปอันอุดมอย่างนี้แน่คำว่าจะไปคัดฉามะความว่า ก็ถ่ารพระองค์จักฆ่าค่าพระองค์พระราชาของข้าพระองค์ก็จักฆ่าพระนางนันทาเทวีอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นพระนางนันทาเทวีและข้าพระองค์ก็จักไปสํานักของยมราชยมราชเห็นข้าพระองค์ทั้งสองแล้วก็จักให้พระนางนันทาเทวีแก่ข้าพระองค์เท่านั้นเมื่อข้าพระองค์แม้ตายแล้วก็ยังได้นางแก้วเช่นนั้น จกเสียประโยชน์อะไรเล่าข้า พ, พระองค์แลไม่เห็นความเสื่อมเพราะตัวต้องตายพระเจ้าข่าได้หินว่ามโหสถกราบทูลพระเจ้าจุลนีอย่างนี้ด้วยประการชนิพระมหาสัตย์สรเสริญพระนางนันทาเทวีในฐานะเท่านี้หาสรรเสริญกษัตริย์อีกสามองค์ไม่ด้วยประการชนิเพราะเหตุไร พราะธรรมดาสัตว์ทั้งหลายย่อมไม่ทําสีเนหาอาลัยในชนอื่นๆดุจในภรรยาที่รักหรือว่าชนทั้งหลายเมื่อไม่ระลึกถึงมารดาก็จะไม่ระลึกถึงบุตรและธิดาเพราะเหตุนั้นพระโพธิสัตว์จึงสรรเสริญพระนางนันทาเทวีเท่านั้นไม่สรรเสริญพระราชมารดาเพราะทรงพระชาลาแล้ว ในเมื่อพระมหาศัตว์สันเสริญพระนางนันทาเทวีด้วยเสียงอ่อนหวานพระนางนันทาเทวีก็ได้เป็นเหมือนมาประทับอยู่หน้าพระที่นั่งพระเจ้าจุลณีแต่นั้นพระเจ้าจุลณีจึงทรงคิดว่ายกมโหสถบัณฑิตเสียบุคคลอื่นที่ชื่อว่าสามารถจะพามเหสีที่รักของเรามาให้แก่เราย่อมไม่มี ลำดับนั้นเมื่อพระเจ้าจุลนีทรงระลึกถึงพระนางนันทาเทวีนั้นความโศกก็เกิดขึ้นพระโพธิสัตว์จึงทูลเล้าโลมพระเจ้าจุลนีว่าพระองค์อย่าทรงวิตกเลยพระราชเทวีพระราชโอรสและพระราชชนนีของพระองค์ทั้งสามองค์จากเสด็จกลับมาข้าพระองค์กลับไปนั่นแหละเป็นกาหนดแน่ในการเสด็จกลับ แห่งกษัตริย์ทั้งสามองค์นั้นเพราะฉะนั้นขอพระองค์วางพระหฤทัยเสียเถิดพระเจ้าค่า